พอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกายในตอนที่ว่าด้วยกโกสุลสังยุตหรือ ล, ลักษณะของพระสูตรในสังยุตติกายเนี่ยจะจัดเป็นหมวดหมดก็ได้พูดตัวอย่างในเทวตาสังยุตมาช่วงหนึ่ง หมวดนั้นก็จะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับคําถามของเทวดาแล้วในการต่อมาก็ที่จริงเป็นการยกตัวอย่างนะฮะพิกุสังยุตคือหมวดที่ว่าในเรื่องของภิกษุแต่ในพระไตรปิฎกเองข้อความจะเยอะมากคือหลายสูตรแต่ในที่นี้เป็นการนําเสนอแบบยกตัวอย่างพระสูตรก็เป็น เรียกว่านิกายนิกา ย, ายไปคือเป็นสังยุตสังยุตไปวันก่อนได้พูดถึงประสูตรในโกโสลสังยุตแต่เรียกว่าธราหัสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคนหนุ่มหรือความเป็นคนหนุ่มเป็นพระพุทธดำรัสที่สัตตออคคำกราบทูลถามของ พระเจ้าเปรตยกุศลในประเด็นที่ว่าพระสมณนโคโดมนั้นปฏิญาณตนเป็นอรหันตสมาสมัพพุทธะด้วยหรือพระเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าจะกล่าวถึงใครว่าเป็นอรหันตสมาสมาสัพพุทธะก็ควรกล่าวถึงตถาคตว่าเป็นอรหันตสมาสมาสัมพุทธะเพราะว่าตถาคตจะรู้อนุตตรสมาสมัมพธิยานจริง อรย์ปเซนที่โกศก็ไปตั้งข้อสังเกตบอกว่าคนอื่นที่อายุเขมากๆเนี่ยแล้วก็ท่านยกตัวอย่างครูทั้งหกมาซึ่งก็เป็นคณาจารย์เจา้าระชิที่มีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคณาจารย์เจา้าระชิมา ก, ก่อนท่านเหล่านั้นคือถ้าเราดูในที่อื่นเนี่ยที่จริงท่านก็ประกาศนะฮะประกาศตัวเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกัน เพียงแต่ว่าพระต า, าจารย์ท่านก็ให้เหตุผลประเด็นแรกเนี่ยประสาสดาทั้งหกนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะสร้ประกาศพระองค์เป็นอาหารหันตสมมาสัพพุทธก็เรียนวิชาทั้งหลายมีจินดามณีเป็นต้นแล้วปฏิญาณตนเป็นพุทธด้วยมีคนเคารพนับถือมาก พระเจ้าประเสรินิโคโสนรับสั่งให้เข้าเฝ้าแต่เมื่ออาราธนาให้นั่งบนอัศนะกลับไม่กล้านั่งทำให้พระองค์ทรงทราบว่าท่านเหล่านั้นไม่มีธรรมเป็นแก่นสารอะไรจึงรับสั่งถามว่าพวกท่านเป็นพุทธะจริงหรือเปล่าครูทั้งหกนี้ก็กลัวว่าถ้าไปปฏิญาณตัวว่าเป็นพุทธะ มันก็เจอคําถามประเภทที่เรียกว่าพุทธวิสัยคือปัญหาระดับนี้คนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองตอบได้เนี่ยคนทั่วไปจะตอบไม่ได้และทีนี้ถ้าหากพระพุทเจ้าประเสริกุศลเกิดรับสั่งถามแล้วตัวเองตอบไม่ได้เนี่ยก็กลัวว่าจะโดนลงปรายาจึงไม่กล้าปฏิญาณ แต่ค้อนี้ดูดเหมือนเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังน ะ, ะว่าก่อนที่พรเจ้าจะแสดงยมกปฏิหารในบรรษาที่เจ็ดแต่การสัสรู้เนี่ย mm hmm. ขาราชิระเศรษฐีได mm hmm. ้ไปได้ปุ่มไม้จันมา mm hmm. เลยก็ให้เขาทำเป็นบาทแล้วประกาศว่า มีคนพูดว่ามีพระหันอยู่ในโลกนี้ถ้าหากว่าในโลกนี้มีพระหันจริงก็ขอให้เหาะมาทางอากาศแล้วก็มารับบาดนี้ไปพวกเหล่านั้นก็พยายามไปแสดงตนมีหน้ามา้ามีลูกเล่นไอ้ลูกเล่นเราเนี้ยที่จริงก็แปลกนะฮะมันก็เหมือนกับในสมัยปัจจุบันคือแนวาการใช้หน้ามา้านี่ใช้กันนานไอ้ใช้เกือบจะทุกเรื่อง แต่ว่าเราไม่ค่อยตั้งข้อสังเกตแต่นั้นเองแม้แต่ในแวดวงเครื่องรางของขลังทั้งหลายมันก็มีนามาเพื่อจะก็เรียกว่าปั่นราคาของเครื่องรางของขลังเหล่านั้นให้สูงขึ้นก็จะมีคนที่สร้างสถานการณ์เป็นตำนองว่าถูกยิงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายรถพังหมด ก็จะเล่าถึงความอัศจรรย์ต่างๆอาจจะจริงบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญบ้างหรือว่าเป็นเรื่องเลือกพูดคือหมายความว่าในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดสาธารณภัยขึ้นแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายในสาธารณภัยเหล่านั้นหรือบัติเหตุต่างๆเนี่ย ก็คนกลุ่มหนึ่งที่รอดตายเนี่ยไปแขวนเหรียญใครสักองค์หนึ่งแล้วคนก็จะปักใจฝังใจว่าที่รอดตายเนี่ยพระเหรียญเนี่ยทั้งๆที่คนที่ตายก็แขวนเหรียญอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาจะไม่คิดแต่ซึ่งลักษณะเหล่านี้แนวเดียวกับเรื่องการแทงหวยอะไรต่างๆเหมือนกันหมดครับเพราะแนวครูต่างหกสมัยนั้นก็ไปให้ลูกศิษย์แสดง ไปห้ามปราบไปขอร้องบอกว่าอาจารย์ไม่ปรารถนาจะแสดงคุณพิเศษอันเป็นอุตริมนุษธรรมเพื่อทำที่เหนืออุสัยของสามัญมนุษย์แก่สาธารณชนก็พยายามปกปิดคุณสมบัติพิเศษของตัวเองไว้แต่ว่าเศรษฐีก็ยืนยันนะว่าต้องห่อมาก่อนในที่สุดก็ไปทำทีจะหอ่อ แต่ลูกศิษก็ไปดึงเอาไว้อาจารย์เสียศักดิ์ศรีไม่ได้หรอกเราไปเที่ยวห่ะเอาเพื่อจะเอาบาตราคาขนาดนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมเกษยษียรติยศแต่ลูกศิธย์ก็เปน็นนามาก็ไปออนบอนรือท่านราชการเศรษฐีแต่ว่าราชการเศรษฐีก็ยืนยันอย่างเดิมแล้วก็มีประเด็นว่าพระหมาโมกลันนะ กับพระบินโหลวาตระวาชะท่านมายืนอินบ่าคมจีวอนเพื่อออกบินธบากก็อย่างที่ใคยเล่านะว่าสมัยโบราณเนี่ยพระจีวอนเนี่ยจะน้อยจะมีพื้นเดียวก็เรียมนุ้งผ้าสามพื้นจริงๆปั้นจีวอนก็ต้องถนอม เวลาอยู่ในป่าก็เดินนุ่งเฉพาะสุบุงแล้วก็ออกนอกป่าก็มาหอมจีวรทีหลังแล้วพอเข้าป่าก็ปลดจวร อ, ออกอีกเดินถือไปวกว่าจะมาถึงแนวปัจจุบันเนี่ยนานนะฮะคือผ่านพัฒนาการผ่านพุทธานุญาตผ่านการขอพรจากอุบาสกบาชิกาะอะไรต่างต่างมันเยอะจนพระมีความสรุสบายด้วยเขาเรียกอัติเรกจีวร จีวรที่เหลือเฟือก็สรงมีพุทธานุญาตนะแล้วก็เงื่อนไขของพกกิะถิ่นอะไ ร, ต, ะไรต่างๆนี่ก็ทําให้พระเก็บจีบอรไว้ได้ตะ เ, เกินสามผืนแล้วก็เรียกทั้งหมดอ่ะเวกอติเรกจีวรมันก็เพิ่มอะไรก็นมีอะไรขึ้นมาอีกเยอะนะฮะเพราะจริงๆมันเป็นความจะเป็นตามสถานการณ์ก็นในที่สุดพระโมคกขลานะ ได้ยินคํากล่าวซึ่งมันหมายความว่าเป็นอันตรายก็นกักเลงสุราก็คุยกันบอกว่าไหนพนักบวชทั้งหลายคุยว่าเป็นพระละหาันเศรษฐีลองทดสอบก็ไม่เห็นใครหอบมาได้ก็แสดงว่าโลกนี้ไม่มีปลาหันหรอกความช่วย อ, อย่างนี้อันตรายเพราะมันจะกลายเป็นกลายเป็นอายุ ป, ประวา่าคือว่าด่าว่าพระรีเจ้าทั้งหลายด้วยความเพศ พระว่าความจริงท่านเป็นพระยะบุคคลบาปนะกล่าวตูพระอริยะนี่บาปมากก็เพื่ออนุเคราะห์นะครับพระโมกขลานะก็ให้พระบินโลลภาธราวาชาเนี่ยก็หาะลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็การกดแสดงอิธิริศโดยเอาก้อนหินนี่ติดเท้าไปด้วยหินที่ยืนเวย หรือมก็มีแผ่นหินลอยอยู่กลางอากาศคนไม่เห็นตัวพระแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงใกล้ๆตรงนั้นท่านก็เวงก้อนหินออกไปแล้วก็แสดงตัวให้ปรากฏแต่ว่าไม่ได้ยิ บ, บาทหรอกเพียงแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าในโลกนี้มีพระอรหันต์อยู่เท่านั้นแล้วก็เรื่องนี้นำไปสู่การแสดงยมุก ป, ปฏิหารคือ ต, ตรงนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า แต่การพูดกลับปลอกของบุคคลบางพวกเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นธรรมดาของโลกนะะโลกจะขาดแคลนในลักษณะ น, นี้ไม่ได้หรอกเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องใช้เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่เราจะไปห้ามปรามคนอื่นนี่ไม่ได้หรอกปัญหาทั้งหมดต้องแก้ไขที่ใจเราที่กายที่วาจาที่ใจของเรา การต้องการในคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นมันมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องเป็นตัวงเขาเองดังนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นว่าท่านครูทั้งหกก็ปฏิญาณนะบอกว่าพวกอันตมาภาพไม่ได้เป็นพุท ธ, ธะก็ทําให้ทรงพระกรุณา ก็ดูนาอินดูนะะอ่อนน้อมถ่อมตนก็น่าอินดูเลยก็ทนุบํารุงด้วยปัจจัยสีต่อไปทีนี้พอออกมานอกราชฐานมันก็เกิดปัญหาที่ว่าลูกศิษย์ก็ได้ยินอ่ะคือพู้ก็ลูกศิษย์อย่างหนึ่งพู้ก็ประราชาอีกอย่างหนึ่งฟังลูกเล่นแล้วนะลูกเล่นในร้ายมากเลยลูกศิษย์ก็ถามว่าทําไมอาจารย์ไม่ตอบไปตามที่ยืนยันไว้แก่พวกข้าพเจ้าว่าเป็นพุท ธ, ธะเล่า ท่า น, านออารันตอบยังไงท่านบอกว่าพระราชาจัดถามพวกเราว่าเป็นพุท ธ, ธจริงหรือเปล่าพวกเราคิดว่าถ้าจะตอบไปตรงๆว่าเป็นพุท ธ, ธจริงพระราชาจะถามปัญหาเมื่อพวกเราตอบปัญหาอันเป็นพุทุยใสยพระราชาไม่ทรงเขาพระไทยจะโกรธเอาไปโน้นเลยนะคนละเรื่องเดียวกันเลยเห็น<ม>ไหมฮนะคือคือประเด็นเนี่ยประเด็นจริงๆคือท่านกลัว การตอบคำถามในระดับพุทธวิสัยเลยไม่กล้าปฏิญาณว่าเป็นพุทธะแต่พอมังพูดกับลูกศิษย์ท่านตะแบงไปอีกเรื่องหน ไ, ปไป่ลนั่นคือเล่เจ้าเล่เขาเรียกเจ้าเล่เสแสร้งโอ้อวดมารยาพวกแข่งดีทั้งหลายนี่มันจะมีลักษณะยอย่างเงี้ยเพราะฉะการฟังข่าวคราวหรืออะไรก็ตามแม้แต่การอ่านหนังสือ คือต้องมีวิจารณญาณนะนะต้องคิดคิดหลายชั้นหน่อยถ้าสมัครใจจะเชื่อถ้าถือว่าอ่านเป็นการประดับความรู้เป็นประสบการณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าจะนำไปสู่การเสนอแ น, นะหรือการอธิบายหรือการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมองแล้วก็อาจจะคิดแบบสมมติฐานอะไรแต่ไรขึ้นมา ล, ลองทดสอบดูก่อน ก็เรียกว่าคิดกันหลายชั้นทีนี้นท่านอธิบายดีนะฮะอธิบายดีมากเลยท่านบอกว่าจะเกิดบาปแก่พระองค์เพราะสงสารพระราชาหรอกจึงได้ตอบไปอย่างนั้นทั้งๆที่พวกเราเป็นพุท ธ, ธะจริงๆเห็นไหมฮะที่จริงเนี่ยท่านเทยวบอกเขาอย่างนี้มาตลอดแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่โดดเด่นมากเราลองนึกดูว่านักบวชหนุ่มรูปหนึ่ง สามารถสอนนักบวชรุ่นแก่กว่าตัวเองให้ยอมสยบเป็นลูกศิษย์ได้พวกปัญญวคีก็แก่กว่าพวกบุราณชนดินก็แก่กว่าพ่อครปรยายสก็แก่กว่าหรือว่าแม้แต่พวกภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะนเข้าใจว่าอายุอาจจะใกล้กัน แต่ว่าคนเหล่านั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างนี้คือบริวารพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารสิบสองนหุดเนีน่ยเตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนพรรษาก็สามสิบหกตนแต่สามารถให้เหตุผลชี้แจงแสดงธรรมแก่คนถึงแสนสองมื่นคนให้ยอมรับมาถือพระองค์แล้วก็บรรลุเป็นพระโสดา บ, บันไดถึงสบถึงแสนกว่าแสนหนึ่งมืน แล้วก็ปฏิญาณตนนับถือถึงพระศาสนาสาคมเนี่ยก็หนึ่งหมื่นนี่คือแสดงให้เห็นว่ามาแบบพายุบุแคมอะเรยอมกระตบกระเทือนต่อผลประโยชน์ที่นักบวชเหล่านี้จะได้เนี่ยมากเพราะงั้นท่านเมื่อก่อนเนี่ยท่านพูดว่าท่านเป็นพระอาหารหันทานั้นแต่ในการต่อมาเนี่ยคือคำว่าพุทธาเนี่ยเป็นอุดมอุดมติ หมายความเป็นบุคคลในดับอุดมการของสังคมยุคนั้นตามตำนาหมหาปริปรลักษณะสามในสองประการเนี่ยว่าถ้าใครก็ตามบุรุษใดก็ตามที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบสามในสองประการเนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึง่งก็เป็นบุคคลในโลกรอคอยแต่ว่า พระราหันนี่มันเป็นชื่อที่ประกาศกันมานานแล้วก็แม้แต่ไม่มีอะไรอย่างพระปายะสรุจิริยะเนี่ยท่านเรือจมท่านว่ายน้ำไปผ้าผ่อนหลุดลุ่ยก็ผ้าของพวกคนอินเดียนะก็นึกดูว่าเราเขาก็นุ่งผ้าโทธีมาจนถึงทุกวันเนี่ยมอนผ้ามันก็หลุดได้ง่าย แล้วไม่มีพระนุ่งคนก็ไปคิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ปรุรณกัสปะตรงนี้ก็เหมือนกันฮะปุรนกัสปะที่จริงเป็นสีเปลื้อยนะฮะแต่ว่าคนก็นับถือเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าท่าน น, นิครนัตบุตรก็เหมือนกันเป็นสีเปื้อยเหมือนกันแล้วก็นับถือเป็นพระอาหารหันต์คำวมพุทธะมามาเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสถานะของพระองค์ แล้วก็มีคนที่เขาพิสูจน์ทดสอบนะฮะพิสนทดสอบในพระพุทธญาก็ทดสอบทีธรรมเทศนาเราไปทดสอบที่ประทัไทยพระองค์ไม่ได้เรา อ, อย่างไม่ถึงแต่ว่าที่พระธรรมเทศนาคือธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของสามาัญชนที่ไปไปพูดไปแสดงข้อความขนาดนั้นแล้วก็มีความสมบูรณ์ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็กได้ แล้วก็จะเป็นไปอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นยกตัวอย่างอิทธิบาทสี่นี่เมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นนหะหรือพรหมิหารสี่เนี่ยถ้าหากว่าสังคมขาดพรหมิหารสี่หรือขาดพวกขารวะสธรรมหรือพวกอธิฐานธรรมเนี่ยสังคมก็อยู่ไม่ได้หรือแม้จะศสี่ห้าแต่สังคมขาดสี่ห้าเป็นกะลียุคทันทีเลยดังนั้นเราสามารถพิสูจน์พระพุเจ้าได้ตลอดชีวิตของเรา ว่าธรรมะนั้นเป็นเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงไว้ก็คือทุกจริงทุกก็ทุกจริงสมุทัยก็สมุทัยจริงนิโรธก็นิโรธจริงมรรคก็มรรคจริงแน่ น, ะนอนนิโรธเราก็ยังไม่ได้สัมผัสลึกมากพอแต่ว่าทุกกับกิเลสเนี่ยก็สัมผัสมาเยอะแล้วก็มรรคก็สัมผัสกันได้นะฮะสัมผัสกันได้ระดับศีลระดับธรรมะปฏิบัติบางคนก็อาจจะถึงสมาธิบางคนอาจจะถึงมิปัสนาบางคนก็อาจจะถึงเป็นพระยะ กแล้วแต่ความเพียรพยายามที่ถูกถางของท่านเหล่านั้นกับบุญญาบารมีของท่านเหล่านั้นผลประโยคที่ปราชารับสั่งถามว่า mm hmm. กิงปะนะภวังโกตโมดะหะโรเจวะชาติยานโวโจอปปัชชานี่แปลว่านี่อะไรกันพระสมณโคดมโดยกําเนิดก็ยังเป็นเด็กกว่าเขาโดยการบวชเล่าก็ยังใหม่ นันเป็นหลักฐานยืนยันว่ า, าศาสนาในยุคนั้นพระพุทธเจ้ามีพระชนมาายุอ่อนกว่าท่านรูปอื่นเพราะว่าที่เราพอรู้จักอายุี่้นะก็คือท่านนิครนนัตบุตรแต่คนอื่นดูแล้วมันน่าบางคนมันหน้าจะรุ่นลูกศิษย์จะทำไปเพราะอะไรเพราะว่าชื่อของนัก บ, บวชเหล่าเนี้ยมันปรากฏอยู่ในสมัยพระยามิลินก็ปรากฏซึ่งก็พศห้าร้อยละ และปรากฏแม้ในสมัยพระเจ้าวัตถยาเมินียภัยที่ลังกาตอนที่พ่ายแพ้ต่อกองทัพของพวกทมินจัตมินนาดเนี่ยอีกกอยับรบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะะพระเจ้าวัตถามินียภั ย, ยแพ้พวกนักบวชพวกเนี้ก็แสดงอาการหัวเราะเยาะแล้วก็พูดหมดทั้งทั้งทั้งทั้งหกทั้งหกกลุ่มก็แสดงว่า รุ่นลูกสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าความเป็นมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่าเราพูดเท่าที่เราสัมผัสแลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือระบบคำสอนหรือความเชื่อของท่านเนี่ยมาก็เอามารวบรวมเรียบเรียงไว้ในจักใจสู่ใจด้วยไมยตรีซึ่งก็อยู่ในตอนสองนะฮะ ก็ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่เพราะว่า้าพิมพ์มันค่อนข้างแพงแต่ก็ตั้งใจไว้นะฮะว่าจะพยายามจะพยายามออกมาให้ได้แล้วข้อต่อไปก็คือความคิดของพระเจ้าประเสรในกุส่วเป็นความคิดในตอนตอนแรกๆเนี่ย ดูแล้วคล้ายๆจะไม่เคยเชื่อนะฮะคล้ายๆจะลังเลไม่เคยเชื่อแล้วก็ค่อนข้างจะดูหมินนั่นก็คือว่าท่านใช้เกณฑ์อายุมากคือรู้มากอายุน้อยคือรู้น้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ตั้งผิดเพราะเกณฑ์มันผิดอย่างอื่นมันผิดมันรวนหมดอะดังนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรายึดถือเนี่ยตัวกฎเกณฑ์มันต้องถูกถ้ากฎเกณฑ์ผิดเราก็ผิดไปด้วย คือบางคราวเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมันบกพร่องเองเวลาผ่านกระบวนการพิจารณาไปจะถึงสารัดสินเนี่ยคือกฎหมายบัญญัติว่าอย่างนั้นแหละก็ยุติได้กฎหมายนะก็เราเรียกเรียกว่ายุติได้ทำแต่ที่จริงแล้วในความรู้สึกเนี่ยกฎหมายอย่างนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นว่ากฎหมายแม้แต่ระดับ ร, รัฐธรรมนูญมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเลิกกันมาตั้งทลายอันนี้ฉบับที่สิบหกละ ก็ เ, เลื่อยกันไปเรืยก็ความคิดมนุษย์อ่ะจะทํำยัำยงไงเขาก็คิดได้เท่านั้นแต่ว่าพอในภาคปฏิบัติในตั้งปกติแล้วเราไม่มองภาคปฏิบัติคือวินัยก็ดีธรรมะก็ดีเนี่ยศีลก็ดีเนี่ยมันมองที่ภาคปฏิบัติถ้าเรามองที่ภาคปฏิบัติไม่เห็นภาพนึกถึงเจตนารมนึกถึงวัตถุประสงค์ ถึงผลประโยชน์ที่จะได้ไม่ปรากฏเนี่ยมันก็กลายเป็นความไม่ยุติธรรมนะคล้ายกันเนี่ยล้ากับรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกไปเนี่ยสีู่นย์เนี่ยมาตราที่สามสิแปดกับเจ็ดสิบสามเนี่ยไม่ยุติธรรมต่อจากพุทธแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาแล้วที่จริงสามิแปดเนี่ยต่อสังคมโดยรวมไม่ว่าจะนักถือศาสนาอะไรก็ตาม ถ้าปล่อยกันขนาดนั้นนะ น, นะโอกาสที่คนฉลาดแกมโกงจะหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็แตะต้องไม่ได้เพราะมันกลายเป็นความถูกต้องตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้คนเที่ยวเขาไม่เที่ยวเสษตรในโคศุลนก็มีลักษณะอย่างนั้นก็คือท่านไปตั้งหลักท่านไปตั้งหลักเอาว่า ต, ต้องเป็นคนแก่จึงจะ เป็นพุทธะได้ถ้าไม่เป็นคนแก่ก็เป็นพุทธะไม่ได้และบางทีร่องรอยความคิดตรงนี้เราจะเห็นว่ามาเลยมาจนถึงในเวทบวงการพระสงฆ์เราเนี่ยยังอัตมนี่เจ็ดสิบสามแล้วบางทีผู้ใหญ่เขาว่ายัางเด็กเราก็นึกไม่ออกว่าเมื่อไรมันจะแก่ทีก่อนๆเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการพิเศษ เขาได้ล้มปูหมดเลยสองโรงพยาบาลตะโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลวิทยุศึก็แสดงเขาก็มองเห็นว่าเราก็แก่แต่ผู้ใหญ่เรามองมองเราเป็นเด็กฮะก็คงจะตอนตายเอาท่านคงจะมองว่าแก่นี่ก็คือระบบการคิดอะแล้วมองคนอื่นเป็นเด็กเลยก็ไม่กล้าไม่กล้าเห ม, มอบหมายแต่งตั้งอะไรทห้ทงานก็จะทําไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ย เราได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงอยู่ระดับนําของโลกเนี่ยอายุไม่มากในแต่ละด้านเนี่ยอายุไม่มากก็เขาประสบความสำเร็จแล้วเหรเกณฑเกณฑ์ตอนนี้ท่า น, ท, านท่านตั้งเกณฑ์พลาดแล้วเลยเลยเลยมันก็ลพลาดทีนี้ประเด็นที่อยากจะให้ท่านฟังทบทวนว่าหลักการเทศการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสามสามหลักด้กัน ประการแรกคือแสดงให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นแต่มีข้อแม้เหมือนกันนะฮะว่าเขาต้องสามารถรู้สามารถเห็นด้วยตรงนี้ไม่ได้บอกไว้ในตัวอักษรภาษาแต่ว่าบอกไว้ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าการวางธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อกลุ่มเป้าหมายที่มันแตกต่างกันเนี่ย บางทีแม้จะเรื่องเดียวกันแต่ว่าวุธิภาวะของผู้ฟังแตกต่างกันก็ทรงยักย้ายพระธรรมเทศนาให้สอดรับกับพื้นฐานของคนเหล่านั้นผลประโยชน์จะเกิดแก่ผู้ฟังทุกคราวอย่างน้อยก็จิตใจบันเทิงก็คือได้อานิสงส์จากการฟังธรรม การต่อไปทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามแต่ว่าถ้าเห็นจริงๆเนี่ยต้องปฏิบัติตามแล้วก็จะเห็นได้จริงๆวันเราจะเห็นว่าอย่างกิเลสกระทุกเนี่ยเราชัดเจนมากแต่ว่านิพพานเนี่ยก็ชัดเจนยากในขณะเดียวกันก็ทดลองลองดับราคะดับโทสะดับโมหะดูสักขณะหนึ่งทึ่งที่จริงเราก็ดับกันได้เยอะ เป็นิพพานอ่อนๆเขาเรียกว่าเป็นตะทังกันนิพพานคือนิพพานด้วยองค์นั้นๆโดยเรื่องนั้นๆหรือว่าเห็นได้ในขณะนั้นๆแน่นอนมันก็กำเริบแหละแต่ว่าเราก็ชนะกิเลสได้ในระดับนั้นเพราะในแต่ละวันถ้าหากว่าคนคิดแล้วก็ทำไปตามที่คิดหรือคิดแล้วก็พูดไปตามที่คิดยุ่งนะฮะแปลว่า พระส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีสติมีสัมมชัญญะมีเหตุผลในการวิเคราะห์ต่างๆ ต, ตรวสอบต่างๆแล้วก็ไม่ทามไม่พูดซคือห้ามใจจากความชั่วได้ถือ่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะการที่ห้ามใจจากความชั่วได้เนี่ยแล้วก็ทรงสแสดงธรรมะเป็นอัศ จ, จรรย์คือหลังจากการประพฤติปฏิบัติไปตามที่ทรงสแสดง แล้วคนจะรับผลสมกับที่ส่งแสดงคือแสดงว่ายังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุเหตุมากผลมากเหตุน้อยผลน้อยนะะก็ธรรมดาคล้ายๆกับดวงไฟมันเล็กก็ขจัดความมืดได้น้อยแต่ก็ขจัดความมืดนั่นแหละทีนี้ที่ต้องการจะเน้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือได้เคยบอกไว้ว่าคำว่าตถ า, าคตเนี่ย เป็นสัพนามที่พระพุทธเจ้าใช้แทนพระองค์แต่แทนที่จะใช้ว่าอาหางที่แปลว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยใช้คําว่าตถาคตแล้วก็ใช้ทั้งกับพระและขลุ่วว่าคาว่าตถาคตเนี่ยถ้าเราแปลตามศัพท์ก็แปลว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไป แต่ในขณะเดียวกันพระรตถาจารย์ท่านก็ธิบายขยายความออกไปเป็นแปดความหมายด้วยกันแต่และความหมายถ้าเราจะเอารายละเอียดมันจะลึกซึ้งมากนะคือคือจะมีรายละเอียดอยูเยอะแต่ว่าในที่นี้ก็จะให้นัยยะพอเกิดความเข้าใจประการแรกเนี่ยเขาเรียกว่า สถาอาคาโตแปลว่าเสด็จมาตามประเพณีของพระสมสัยสมุทธเจ้าแต่ก่อนคือหมายความว่าการเป็นพระพุทธเจ้าในโลกคือไม่ว่าจะองค์ใดก็ตามานะฮะคือจะเกิดขึ้นจากการจดรู้อริยสัจทั้งสี่ประการแล้วก็ผ่านการศึกษาค้นคว้ามากน้อยแตกต่างกัน แล้วก็จะจะรู้ด้วยพระาญาณทั้งสามที่เกิดขึ้นในริยสัตย์ทังสี่ประการมาความพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นอย่างนี้แหละเคือท่านไม่มาในลักษณะ น, นี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็อาจจะเป็นพระปฏิเจ้พระพุทธเจ้านะฮะพระปฏิเจ้าที่จริงก็ผ่านอย่างนี้ อรหันเองก็ผ่านอย่างนี้แต่ว่าเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว่าสัสรู้ดีสัสสรู้ชอบด้วยปรุงเองเขาไม่เรียกว่าอารหันแต่สัมมาสัพพุทธเจ้าแต่เขาเรียกปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าอารหันตสาวกหรือสุตะพุท ธ, ธหรืออรหันตพุทธะอะไรก็แล้วแต่ข้อต่อไปบอกว่าตถากะโตคือเสด็จไปโปรดเวยนยมิกรตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้านั้นๆอันนี้เป็นหลัก คือเป็นจุดที่หมายความว่าเราแต่ละคนเนี่ยที่จริงก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งคือรักเพื่อนมนุษย์อ่ะคือพร้อมที่จะทํางานเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติตามกําลังความสามารถที่เราจะทําได้จะยกตัวอย่างรายการเนี้ยอาตมาเองไม่มีความสามารถจะไปเช่ารายการครับ ตาผลเอกเสรีปุกกมาร์ม์มยาลัยศรีปทุมท่านอธิการบดีไม่สนับสนุนขกาเช่ า, ชาสถานีเราก็ทําไม่ได้เองก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันใหความเราก็ใช้ความรอบรู้ทางศาสนาเขาก็ใช้กําลังทรัพย์มาสนับสนุนเราก็ช่วยกันช่วยกันปิบัติภารกิจเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้งถึงท่าน ปุวังจะสังเกตนะว่าแต่การธรรมานี้มีตั้งสี่สิบห้านาทีแต่ก็ไม่มีการโฆษณาทั้งหมดมันก็ต้องเกิดขึ้นจากน้ำใจเสียสละเพราะคณลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กรุณ า, าเต็มเปี่ยมพระเจ้ามองสปปรรพชีวิตโดยมิติเดียวนะคือตกอยู่ในห่วงของความทุกข์แต่และคนอยู่ในห่วงความทุกข์ทั้งนั้นแม้แต่ พระอนาคามียังอยู่ในระดับของสังสารทุกข์คือท่านยังต้องไปอุบัติที่พรหมโลกแม้จเป็นสุตทาวาสก็เถอะแอยู่นานนะฮะอยู่ที่นั่นนานก็ยังเป็นชาติยังเป็นภพอยู่เพียงแต่ว่าแน่นอนว่าจะได้สัดสรู้ที่สุทาวารเทนั้น พการมองคนอื่นด้วยความเมตตาด้วยความรัก น, นะความรักความเมตตาความกรุณาความหวังดีมีจิตคิดอนุเคราะห์มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่ อ, อแผ่อกอภารีกันทางนิดเบาหน่อยก็อดขั้นอดทนกันคือมันคนจะอยู่สักระดับที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันด้ยวยความเป็นมิตร มันแสดงถึงจิจที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาในระดับนั้นๆซึ่งที่จริงเราก็มีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมีคุณธรรมระดับนี้อยู่แล้วก็ถ้าปฏิบัติได้ก็เรียกว่าโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธองค์อาจจะไกลหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าออกนอกลู่นอกทางประการต่อไปก็คือตาถาอัฏฐลักษณง สเสด็จมาสู่ลักษณะแห่งความจริงคือพระพุทธเจ้าทรงสัจสรู้ความจริงทรงเข้าถึงความจริงทรงบรรลุความจริงแล้วจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไม่จริงแต่จริงตามที่เขาเป็นนะะหรือมายความจริงก็เป็นมาก่อนพระุเจ้าทรงค้นพบแต่นั้นเองความเป็นสัจธรรมเนี่ยก็เป็นเขาอย่างเนี้ยคนเราก็เกิดแก่จะตายมาเป็นอย่างเนี้ยเป็นค้นพบหลักการ หลักการวิธีการตลอดถึงปฏิบัติการเพื่อจ ะ, อะเสริมสร้างในส่วนที่ดีแล้วก็จัดสิ่งที่ไม่ดีเป็นการตอบสนองความปรารถนาร่วมกันของมนุษย์ก็คือต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ประการต่อไปท่านเรียกว่าตถาดสิตายะไม่ใช่ตถาธรรมเมยถาภาวะโตอภิสัมบุตโธ สัิรู้ที่แท้จริงตามความเป็นจริงอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะว่าสติรู้จริงคือความรู้ระดับศสตรู้หรือแม้ความรู้ของพระอาหารหันต์เนี่ยหรือแม้ตั้งแต่พระโสร บ, บันขึ้นไปเอาพวกง่ายๆอยงั้นจะไม่วิปริตพระโสดา บ, บันนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นเพราะจะไม่มีวิปริตเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสคตินิยมกระแสสังคม ถึงแม้จะเขาจะเห็นตามกันมากก็ตามแต่ว่าท่านไม่ไปอ่ะคนอาจจะแห่ไปขอหวยอาจจะแห่ไปเช่าพระเครื่องอาจจะแห่ไปขอน้ำมนต์อาจจะแห่ไปขออะไรต่างๆเนี่ยท่านไม่ไปเพราะท่านเข้าถึงความจริงที่แท้จริงว่าผลทั้งหลายทั้งเกิดมาจากเหตุแล้วกว็ท่านก็ไม่โลภจนถึงขนาดนั้นแล้มันก็เป็นทั้งโลภทั้งโง่นะฮะคือถ้าแห่ไปเนี่ย ประการต่อไปนั้นก็ทรงเห็นความจริงเขาเรียกว่าตถะดัสสิตายะคือทรงเห็นความจริงกือทุกข์ก็ทุกข์กจริงสมุทัยก็สมุทัยจริงนิโรธก็นิโรธจริงมรรคก็มรรคจริ ง, กกรงตถาการิตายะทรงกระทําดังที่ทรงเห็นหรือที่ทรงสัตว์หมายความว่าพระพุทธจ้าเนี่ย แต่นวนปัจจุบันโปร่งใสนี่ยอาจจะมีประเด็นที่ต้องอธิบายว่าไอ้โปร่งใสนี่คืออะไรก็ ร, รู้สึกว่าเราใช้เป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่ากรอบมันไม่มีความรู้แตจา้าเนี่ยหมายความว่าพระไทยของพระองค์สอดคล้องกับการกระทํากับพระพุทธธรรมรัตรียกวิยาถาวารีตถาการีตถาวาดียถาการีทํำยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไงก็ทําอย่างนั้นม ไ, ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น เพราะว่ามารุอาวัคยาเ น, นี่ที่ว่าประการต่อไปนั้นก็คือตาถาวาชิตายะมีรู้ตำรับเชื่อแท้เอาดูง่ายๆอย่างนี้นะว่าพิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกได้ทุกคนจะต้องใช้สติในที่ในทุกกรณี ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนอริชนศีลให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลจนเท่าจนแก่จนตายหลังจากตายแหละไม่เป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหมายความมาทรงแสดงไว้อย่างไงก็คืออย่างนั้นแหละต่อไปก็เป็นอาภิ ว่นนัเทเถนะทรงข่มกิเลสไวในอำนาจที่จริงคือพูดข่มไม่ได้มันมันต้องการขม่มในจริงมันต้องมีกิเลสให้ขม่มคือคือท่านไม่รู้จะได้อย่างไงนะการทำการทำให้กิเลสเนี่ยไม่มีอิทธิฤทธิ์ต่อไปเพราะมันไม่มีมันหายไปเลยคือเป็นการสำรวมที่ไม่ต้องสำรวมเป็นการระวังที่ไม่ต้องระวัง การเคลื่อนไหวทุกอย่างของพระเจ้าก็เป็นอัตโนมัติหมายความว่าเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแหละนี่ก็คือบท ว, ว่าตถาคตเราเรียกว่าตถาคตโยโสตถาคตโอหลังสมมาสมุทโห น, นี่เป็นเป็นสัพพนามของพระพุทธเจ้าทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงพิกษุหนุ่ม พิสูจนหนุ่มที่ท่านอธิบายว่าพิกษุน์ยดูมินว่าเป็นหนุม่มเพราะว่าพิกษุไม่เอาโดยเด็ดไม่ได้หมายความว่าพิกษุไปไปแผลงฤทธิ์หรือทำลายใครเพราะท่านอยู่ในฐานะของผู้ไม่ฆ่าคือภิกษุนเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติไม่เป็นข้าสึกกับใครๆอปัจจนีกะปฏิปทาปฏิบัติตัวนั้นเป็นข้าสึกกับใครๆ คนหนึก็มีสิทธิ์คิดนะฮะว่าเราคิดเป็นคฆาตศึกอะไรก็บใครแต่ว่าโดยสถานะแล้วเนี่ยปฏิบัติเป็นคฆาตศึกกับใครไม่ได้เพราะในจุดจุดนี้จะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนก็เป็นรั้วที่ทํำให้พระที่นานั น, า น, น, านทาตายไปเยอะอง้มก็ร้ออย่างเงี้ยคือไม่ยอมเป็นคฆาตศึกอะไรกับใครก็ทําทให้นั่งให้เขาตัดหัว หมดไปเป็นพันๆ น, นะะมันพันๆรูปไปเลยแต่ก็มองระยะยาวเนี่ยมันดีเพราะว่าถ้าเราจะไปโตอตอบด้วยวิธีเดียวกันเนี่ยก็ต่างคนต่างก็ลงนรกกันหมดเลยอย่างน้อยก็ผ่อนปลนแบ่งแยกไปสู่สวรรค์กันบ้างดังนั้นการการ การที่ว่าภิกษุไมเ่เดเดดเนี่ยเคยเคยตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเคยเค ย, เคยจับพระที่จริงก็ดูภาพยนตร์นะภาพยนตร์สารคดีเฉยแล้วก็เขาก็มาจับก็ต้องพระขึ้นโรงพักนะแต่ในที่สุดปรากฏว่าตำรวจคนนี้ถูกย้ายไปอยู่ที่ม่ห้องสอนแล้วก็ไม่ได้พูดได้เกิดไปเลย อันนี้ก็คือคือการประทุษรายต่อสมณะชีพรามเพราะงั้นหลักการสำคัญว่าการประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษรายเนี่ยมันเกิดโทษแก่ผู้ประทุษรายเนี่ยจะมากแล้วก็จะนําไปสู่ปัญหาทั้งในชาติปัจจุบันจากในปัจจุบันก็แย่แล้วนะ แล้วก็ตลอดถึงพบชาติต่อๆไปด้วยเพราะหลักการเหล่านี้เป็นหลักการสําคัญที่เราจะเห็นว่าพระนามของพระพุทธเจ้าโซนิคพเธียก็เนมิตกานามคือพระนามที่เกิดขึ้นจากพระคุณของพระองค์แล้วพระองค์ก็มาเรียกใช้เรียกขานพระองค์แต่มาไม่แน่ใจว่าชื่อชื่อชื่อยาโลวหรืออันลอเนี่ยข้อความหมายคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องนี้น่าศึกษาคือยังนึกวันก่อนที่ไปสัมมนากันที่สุราษฎร์าศาสนาเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยคือถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าใครพูดฟังเฉพาะเสียงเนี่ยมันก็คือธรรมะด้วยกันแล้วก็พูดในระดับเดียวกันเป็นเป็นเป็นข้อที่น่าสังเกตไว้ เพาถ้าหากว่าคนเราพยายามทำความเข้าใจกันนะแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรช่วยการปฏิบัติภารกิจที่ศาสนานั้นๆควรจะมีต่อศาสนิาของตนแล้วก็ต่อเพื่อนศาสนาอื่นๆบางคนต่างก็เกิดมาในโลกไม่นานากี่วันก็ตายแล้วหรือจะเบียดเบียนแข่งแย่งเขียงข้าประทุษร้ายอะไรกันไปทําไมนี่ก็เป็น ข้อที่น่าจะเตือนจิตสกิจใจกันไว้มากๆนะฮะเพราะว่าสังคมเรามีความรุนแรงแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่านี่คือสังคมพุทธถึงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะโรคาขาดหลักขหลักศีลธรรมจริยานี่ยแล้วมันค่อนข้างค่อนข้างมาก อันข้างมากคือถ้าเราอ่านความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏทางสื่อเวลานี้ดีที่สุดคือไม่อ่านเลยไ่อ่านสื่อเลยไปอ่านวิสุทธิมรรคไปอ่านพระไตรปิฎกวันๆก็เราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้เลยเราก็อายุมากแล้วมาอยู่กับธรรมะเราก็อีกไม่กี่วันเราก็ตายแล้ว การอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นหลักการสาคัญในทางศาสนาเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาของพระเจ้าที่ทรงสรุปไว้ด้วยข้อความสั้นๆว่าลูก่อนู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายเราก็เตื่นเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ เรราวโดยสรุปก็คือทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์ทำประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์นั่นเองต้องฟังทั้รลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี